คำว่าผู้ประพฤติทธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติในทุกคติมีสองอย่างทุกคติในปัจจุบันกับทุคติในสัมปร이ยพผู้ที่ประพฤติทธรรมก็ไม่ทําทุกคติทําไม่ดีทางกายวาจาและใจขณะเดียวกันก็ไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาณนรกอันนี้เป็นอันนี้สงของการประพฤติทธรรมเพื่อให้มีความสุขในปัจจุบันและสัมปร이ยภูนั่นเอง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 พระพุทธเจ้าผู้นำโลกพระนามว่ามงคลพระองค์ก็ทรงกําจัดความมืดในโลกทรงชูประชีต์ทรงชูประทีะทปธรรมรัศมีของพระมงคลพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่มีผู้เทียบยิ่งกว่าพระชินาจ้าพระองค์อื่นๆทรงครอบงําแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หมื่นโล ก, กาธาตุก็สว่างจา้าเนะนี่เป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นมีรัศมีแบบนี้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 ทำให้ปรารถนาเช่นใดก็สําเร็จสมดังใจปรารถนาทุกประการถ้ามีบุญถ้ามีบุญเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าถ้าหมดบุญนะเบี่อร้อนสรุปมาว่าพระศมีของพระองค์เนี่ยแสงสว่างสว่างมากนะสามารถที่จะกําจัดความมืดนะพระองค์เนี่ยชื่อว่ากําจัดความมืดสองอย่างกําจัดความมืดในโลกเนี่ยกำจัดความมืดภายนอกกับกําจัดความมืดภายใน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 รู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุแห่งความเจริญรู้เหตุแห่งความเสื่อมเช่นนี้แล้วสัตว์ประสัตทั้งหลายก็เลยสั่งจากความเมาหายจากความมืดในในดวงใจเนี่ยนะก็รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปเลยนะเพราะฉะนั้นโลกก็สว่างสวัยดวงใจก็สว่างขึ้นเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเนี่ยนะภาชนะทั้งหลายที่เข้าของเครื่องใช้ในยุคนั้นก็บอกว่างดงามมากนะที่เหลือก็ขยายสั์อุ ก, กาสับ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 ครอบงําเอาไว้นะนะอวิชชาเนี่ยแปลว่าอะตัวนั้นเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูวิชาแปลว่าความรู้ฆ่าศึกแก่ความรู้ก็คืออวิชชาความโง่ความเคล้าความมืดความบอดความไม่รู้บาปบุญคุณโทษความไม่รู้อดีตความไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตปกปิดอวิชอะปกปิดปฏิจจสมุปบาทปกปิดทุกปกปิดทุกขสมุทัยปกปิดทุกขานิโรธปกปิดทุกขานิโรธถาคามินีปฏิปทาปิดไม่ว่าไม่ ก็เว่าปิดแบบประเภทขันน็อตอะนะไม่ใช่เปิดง่ายๆนะนะเาบอกว่าไอค้ความไม่รู้เนี่ยมันยากยากที่จะช่วให้รู้ไอ้ไม่อยากรู้นี่มันยากกว่าไม่รู้ซะอีกเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาตกปิดไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยไม่รู้ดูรู้แล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่อยากรู้อดีตไม่อยากรู้อนาคตไม่อยากรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยนะปอกปิดให้ตามันมองแคบแคบเหมือนรถมาที่ภาคเหนือของมันเหมือนรถมาที่เมืองราชครึกรถมาเม น, มานี่ยนะ เวลาที่จะให้ม้ามันไต่ข้างหน้าต่อไปได้เขามีวิธีการทำไงก็เอามาปิดให้มันมองเห็นแค่เกินเท้ามันไปหน่อยเดียวไม่ให้มันตกลุมตกบ่ ก, ก็พอนะจะได้จูงง่ายๆหน่อยนะอวิชาก็ปิดตาไว้อย่างนั้นตันหาก็เอาซ้ายสิขวาสิไปเนี่ยนะเหมือนรถม้า ก, ก็ว่างั้น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 ก็พระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงยับยั้งอยู่ณโคนต้นไม้ที่ตรัสรู้เสัปดาห์อันนี้ถือว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติว่าจะต้องเสวยวิมุตติสุขสุขสบายโดยมากเนี่ยนะที่เรียกว่าทําอย่างอื่นบ้างก็ถือว่าอภหยเล็กเล็กน้อยที่เหลือโดยมากก็เข้าพระสมาบัติเสวยสุขอย่างเดียวเนี่ยสีวัน พ ร, พระองค์ครอบพระองค์ได้รับคําอ้อนวอนอ้อนวอนก็อาราธนาเชื้อเชิญนนะให้แสดงธรรมของเท้ามหาพรหมเนี่ยนะท้ามหาพรหมอย่างที่เรียกว่าพรหมมาจโลกาติปฏิสามปฏิกัดอัญเชลีเป็นต้น น, นะพระองค์ทรงไข้ครควญว่าเราจะแสดงธรรมนี้แก่ใครเนอะเมื่อรับอาราธนาแล้วก็เห็นว่าภิกษุสโกธที่บวชกับพระองค์ น, นะถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเ ใ, ใ, ใครที่จะบวชติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนั้นมีอุปนิสัยจะบรรลุแน่นอน ก็จริงนะว่าชีวิตของผู้ใดที่อุทิศเพื่อพระัตนาไตรยในที่สุดชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเหล่านั้นก็เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะนนั้ผู้ที่มีพระัตนาไตรยเป็นอารมณ์ผู้ที่มีกายวาจาใจอุทิศแด่พระัตนาไตรนั้นจึงนะว่ามีบุญมากถ้ากล่าวตามอัตถคถาสันเลขสูตรถ้ากล่าวตามอัตถคถาทักคินาวิพังขสูตรให้ทานแก่อุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยนะผูดถึงสารณคม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 เพื่อพระรตนาตรัยหรือมุ่งต่อพระรตนะไตรบุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อทําโสดาปฏิพันธให้แจ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าให้ทานกับบุคคลเหล่านั้นก็ว่าเทียบกับให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพันธเนี่ยนะเหมือนกับว่าให้ทานกับพระอริยะ น, นะเสมือนให้ทานกับพระอริยะะนั้นบุคคลที่อุทิศชีวิตแด่พระรตนะไตรโดยมากบุคคลเหล่านี้นี่แหละ ที่บุคคลที่พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็จะ ต, ตรวจดูว่าคนเหล่านี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมักผลมันถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะไรหรอกนะหมายก็ว่าสละด้วยอะไรด้วยคิดถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยให้มากนะคิดถึงพระคุณของพระองค์คิดถึงพระธรรมที่พระองค์สอนระลึกถึงความที่ทําเป็นธรรมดีที่บุคคลทั้งหลายปฏิบัติตามที่ พระเรียเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตามมันเมื่อเรามีจิตน้อมไปหาพระตัตนะไตรยเท่าใดเนี่ยน ะ, ะหลายคนนี่ก็าบอกห่วงเหลือกเกินมัวแต่คิดถึงพระรัตนะไตรยเมื่อไหร่จะได้ปฏิบัติเขาว่างั้นโอ๊ยปฏิบัตินิยามปฏิบัติมันคืออะไรเนาะปฏิบัติเพื่ออะไรนาะมันจบที่ไหนนาะมันจบให้มันเป็นอะไรนาะกลัวไม่ได้ปฏิบัติจนไม่ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่ได้ปฏิบัติ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 ถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยนะพระองค์ว่ายังไรพระองค์แนะนำอย่างไงเตือนอย่างไงว่าตามอย่างเดียวเนีย่ยนะก็ไหนๆเรามีนายแล้วใช่ไหมไม่ต้องคิดเองเออเองแล้วก็เอาแต่เจ้านายที่ว่าเจ้านายของเราฉลาดมากที่สุดใช่ไหมแคระว่ารู้แจ้งโลกโลกกวิถูพระองค์จะบอกอย่างไงสิ่งไหนที่พระองค์บอกสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราเท่านั้นแหละไอ้ที่พระองค์มาบอกเราเนี่ยเป็นความเสียสละสุดๆของพระองค์แล้วเนี่ยนะ ดอกไม้ของเราที่ไปบูชาถ้าจะว่าไปแล้วจริงๆก็ถือว่าเป็นขยะของพ่อองค์ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะพ่อองค์ไม่ได้สนใจหรอกจริงก็บอกว่าขยะที่ขยะคือกองดอกไม้ที่ไปบูชานี่มันกองพืเดินเทินทึกเลยนะมันถ้าหากว่าเห็นดอกไม้มาบอกเอาขยะมาอีกแล้วเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะตอนบานกับตอนเฉามันก็คือดอกเดียวกันนั่นแหละแต่คนละเวลาคือท่านเข้าใจอ่ะนะท่านไม่ได้ไปติด อ, อกติดใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราบูชาพระองค์ไม่ได้ทําให้พระองค์มีเกียรติเพิ่มขึ้นเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไม่เลยแต่การที่เราบูชาพระองค์เป็นบุญเป็นกุศลเ ป, เป็นวัฒนารรมเป็นบารมีของพวกเราเท่านั้นแหละผลสิ่งที่เราทําแก่พระองค์นั่นแหละคือสมบัติของ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 มีแผลคนหนึ่งที่น้องเนี่ยมันก็ปริใหญ่มากก็บอกว่ารอวันตัดขาอย่างเดียวบอกถามว่าทําไมมันก็เย็บแผลไม่ได้หรือเอายามาทาแผลมาเย็บมาอะไรไม่ได้หรือแผลมันปริอย่างนั้นน่ะน่าจะเย็บได้น่าจะเอาผ้าพันแผลเข้าเฟือกเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้หรือหมอบอกไม่ได้ตัดอย่างเดียวเขาบอกงั้นอาก็บอกว่าคนไข้ทําใจไม่ได้ก็รอจนกว่าจะทําใจได้และอนุญาตให้ตัดก็มีอยู่ทางเดียวตัดอย่างเดียวเขาบงั้น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 ชีวิตของเรานะทั้งทํามาทั้งกันเล็กแต่น้อยมาจบจนปัจจุบันเนี่ยถามใจตรงๆเอยอันไหนนึกแล้วพอจะไปสวรรค์ได้บ้างอันไหนนึกพอจะไปสวรรค์ได้บ้างบอกก็พระเจดีเป็นต้นไงพระพุทธเจ้าไงอ้ววันหนึ่งคุณคิดถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคุณคิดถึงพระพุทธเจ้า6ชั่วโมงได้ไหมอย่างเงก็มาไล่ดูนะมาสอบสวนดูแล้ ว, แ ล, วแล้วใจหนึ่งมันไหลไปไหนใจเมื่อมันไหลไปที่ไหนปฏิสนธิก็อยู่ที่นั่นแหละ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 มันพระองค์ก็ตรวจตราด้วยอาสาธารณายานเห็นแล้วว่าภิกษุสสามโกธเหล่านี้นี่แหละที่จะตรัสรู้ได้เพราะ เ, าเพราะนักบวชเหล่านั้น่ะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเนีย่ยนะพวกเขาถูกเราซึ่งต้องการวิเวกสละแล้วคือมีอยู่สองอย่างนะอย่างที่กล่าวเมื่อเช้า ว, ว่า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 การที่เขาการที่เรามีโอกาสอยู่คนเดียวคนเดียวนี่ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเลวร้ายอะไรนะกลายเป็นก็เรียกว่าจะได้ดีก็เพราะอะไรนะเพราะได้วิเวกนะได้มีเวลาทบทวนเต็มที่ใช่ไหมต่อไปนะว่าพระองค์ก็ไปที่ไหนไปพระองค์ก็ไปสงเคราะห์เขาที่สิริวัฒนนครหรือว่าสิริวัฒนานครนะอันนี้เหมือนเมือง น, นี้ก็ชื่อว่าเมืองสิริวัฒนนครยัง่ง พระองค์ยับยั้งอยู่ที่ชัดสิริวันก็คือป่าสิริวันนั่นเองเอาเถอะเราจะไปแสดงธรรมแก่พวกเขานะที่นั้นพระองค์ก็ถือบาดจีวรของพระองค์นี่เหาะสู่อากาศเหมือนพญาหงษ์ปรากฏนะป่าชัดสิริวันภิกษุลานั้นก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงอันเตวาสิกวัตเนี่ยนะเพราะตอนนั้นพระองค์หลีกออกไปเองเนี่ยนะ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 องค์ก็เลยตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทรงประกาศสัจจะสอันประเสริฐสุดเทวดาและมนุษย์นั้น น, นดื่มรสสัจจะบรรเทาความมืดใหญ่ได้ทำมาพิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมได้มีแก่เทวดาและมนุษย์แสนโกรธในปฐมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุพระสัพพัญญตยานที่ช่างไม่ได้นี่นะสัจจะวรุตโมว่า ง, งั้น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 สัจจะบทว่าวิโนเทนติมหาตมังความว่าบันเทาคือกาจัดความมืดคือโมหะที่พึงละด้วยมรคนั้ น, น, นเพราะความมืดบางอย่างกำจัดด้วยโสดาปฏิมรความมืดบางอย่างกำจัดด้วยสกะทาคามีมรความมืดบางอย่างก็กำจัดด้วยอรหั ต, ตมร อ, อ, อรหั ต, ตมกนนรตตม ก, กำจัดความมืดได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงบทว่าโพธิเนี่ยนะในบทว่าโพทิง โพธิสัพเนี่ยนะคะว่าอย่างเช่นคําว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยโดยศัพท์เช่นโพโพเนี่ยใบโพต้นโพกิ่งโพหรือว่าโพธิโพธิที่เรียกว่าการตรัสรู้เนี่ยนะโดยศัพท์นั้นโพธิมีหลายอัฏฐะด้วยกันเนี่ยนะมัคเเกพเลจะนิภพานในรูปเเกปัญญาติตังตถาสัพพันยุเตจะยะยานสมิงโพธิสัตโทปนาคโตคือโดยศัพเนี่ยนะโพธิสัพคาว่าโพธิสามารถ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 โพธิสัพพ์ก็ฉะ น, นั้นเพราะโพธิสัพวกก์แปลว่ามรรคก็ได้แปลว่าผลก็ได้แปลว่านิพานก็ได้นี่นีโพธิสัพพ์ที่มีเฉพาะในพระไตรปิฎกนะอย่างเช่นโพธิวุจจติจตูโสมัคเเคสุยานังญาในมัคคีเรียกว่าโพธินั้นคําว่าตรัสรู้อะโพธิหรือแปลว่ารู้เนี่ยนะปัญญาที่รู้แจ่มแจ้งนั้นหมายถึงปัญญาในอริยมรรคสหรือโพธิหมายถึง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 ในธรรมจากพระองค์บอกว่าไงนะจักขุกรณียานะกรณีอุปสมา ย, อยาอภิญญาญาสัมโพธายาสังวัตติเนี่ยนะพันธ์อริยมรรคนั่นแหละเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้พฉะนั้นอริยมรรคเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเนี่ยหรือเป็นไปเพื่อตรัสรู้นั้นนะ่ะตรัสรู้ตัวนั้นแปลว่าอริยผลบางทีโพธิแปลว่านิพานก็ได้อย่างในพระไตรปิฎกประโยคที่ว่าปัตะวานะโพธิงอมตังอสังขตังบรรลุพระนิพานเนี่ยปะวั เว่าปัตตวานะโพทิงแปลว่าบรรลุพระนิพพานพระนิพพานลักษณะเป็นยังไงอมตะตังไม่ตายอสังขตังกรรมจัดธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตา่าแปลว่าขจัดหรือกรรมจัดสังคตธรรมนั่นเองบางทีโพที่แปลว่าต้นไม้ก็ได้นะเช่นต้นอสัตถะหมายถึงต้นโพายเช่นอันตราจะขยังอันตราจะโพธิงเนี่ยนะ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 หรือโพที่แปลว่าบัญญัติก็ได้เชน่นว่าโพทิโคราชกุมารโพโตโคตามาสะปาเดศีรสาวันติเปรียบพระราชกคุมารพระนามว่าโพทิถวายบังคมพระยุคลบาทของพระโคโดมด้วยเสียงกล้าวมันโพที่ก็คือมีคนชื่อโพอะนะคนชื่อโพอ่ะพระราชกคุมาชื่อว่าโพอ่ะสมัยใหม่เรียกว่าตาโพเป็นต้นนะก็มีชื่อแบบนี้อยู่ บางทีโพธิแปลว่าตรัสรู้แปลว่าสัพพัญญุตญาณเช่นว่าปปโปติโพธิวรภูริเมทโสพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีอันประเสริฐดังแผ่นดินบรรลุพระสัพพัญญุตญาณคําว่าโพธิบางทีก็แปลว่าสัพพัญญุตญาณในที่นี้มีความหมายว่าสัพพัญญุตญาณหรือจะมีความหมายว่าอารหัตตมัคคายานก็ไม่ผิดอะไรนี่นะ